ก็เมื่อกี้พระอาจารย์ได้แสดงทำก็เห็นได้ชัดเจนเนาะไม่ว่าคนที่ตาบอดแต่เขาก็ยังมีตัวตัวหนึ่งที่เข้าไปรู้ได้ยินเสียงคือสภาวะเดียวกันแต่ว่าวิบากกรรมมันไม่เท่ากันแต่สภาวะแน่นอนเนี่ยปรุงแต่งเนาะอ่าบางคนเห็นก็ปรุงแต่งแต่คนตาบอดนี่ เขาไม่สามารถที่จะมองเห็นได้แต่ก็ยังไปปรุงแต่งในสิ่งที่เป็นเสียงก็ได้ก็เป็นลักษณะอย่างนี้อ่ามีใครจะเพิ่มเติมจากที่ได้ฟังตรงนี้มั่งขอเชิญเลยนะนะาญาติโยมนะอ่ายกมือ อ, อ่าขยายนิดนึงเนาะเรื่องคนตาบอดนะเฟื่องบางคนอาจจะไม่เข้าใจบอกถ้าตาบอดแล้วมันจะมันจะรู้ได้ยังไงจริงจริะรู้เเ อ, อสมมติว่าคนตาบอดนี่เนาะจะเห็น จะเข้าใจเรื่องธรรมชาติที่เห็นเนี่ยได้อย่างไรถ้าเป็นอย่างนี้แสดงว่าคนตาบอดเนี่ยมีอัตตาตัวตนที่จะไปไปเห็นหรือว่าไปเข้าใจธรรมชาติที่เห็นที่เรากำลังพูดถึงแต่สิ่งที่หลวงพ่อพูดถึงเนี่ยคือธรรมชาติมันเห็นเรามันเห็นคนตาบอดไม่ใช่ว่าคนตาบอดไปเห็นมันแต่มันเห็นคนตาบอดมันเห็นว่าไงมันเห็นว่านั่นนะแต่มันไม่พูดอะไรนะมันได้แต่เห็นนะ ว่าคนตาบอดเนี่ยมีพฤติกรรมยังไงท่าทางการเดินเดินอย่างไรตามันเป็นยังไงคือมันเห็นแจ้งเห็นหมดเลยแต่มันก็ไม่เคยพูดว่าคนตาบอดเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เพราะคุณสมบัติของเห็นเนี่ยคือมันเป็นเห็นเป็นเห็นคือมันไม่ได้เป็นความรู้หรือเป็นการพูดหรือเป็นอะไรมันเป็นหนึ่งเดียวเท่านั้นคือเห็นนะเพราะฉนั้นเมื่อเห็นเป็นหนึ่งเดียวมันก็พูดไม่ได้เพราะว่าถ้าพูดมันก็เป็นธรรมะอีกอย่างหนึ่งใช่ไหมถ้าคิด มันก็เป็นธรรมะอีกอย่างหนึ่งถ้าจําได้มันก็เป็นธรรมะอีกอย่างหนึ่งเพราะว่ามันธรรมะมันคือแต่ละอย่างแต่ละอย่างเพราะฉะนั้นเห็นเป็นเห็นมันก็เลยพูดไม่ได้ที่เราเคยใช้กันว่ามันเป็นใบเออมันเป็นใบนะเพราะฉะนั้นคนตาบอดก็คือเป็นสิ่งถูกเห็นนะแต่คนตาบอดจะไปหาสภาพธรรมะที่เป็นเห็นเห็นตัวเองอ่ะเห็นมันเนี้ยหาไม่เจอยิ่งหายิ่งหลงเอ่ยิ่งหายิ่งหลงเพราะหาไม่เจอเพราะมันเป็นความไม่ปรากฏ เพียงแต่ว่าถ้ารู้ตัวขึ้นมาว่าอ่าที่ชาวใช้ภาษาที่เราใช้สมมติไงที่บอกว่ารู้ตัวรู้ตัวเห็นตัวนี่แหละเนี่ยตัวเนี้ยจะเข้าใจเรื่องธรรมชาติเห็นได้ทันทีเลยนะเพราะฉนั้นหลวงพ่อจึงเน้นนักเน้นหนาบอกว่าให้มีสติรู้ตัวนะรู้ตัวรู้ตัวเข้าห้องน้ําก็ให้รู้ว่าตัวเข้าห้องน้ําออกจากห้องน้ําก็ให้รู้ตัวว่าตัวออกจากห้องน้ําไอ้แค่รู้แบบเนี้ยมันมีทั้งสภาพเห็นทั้งสภาพรู้มันก็รู้เรา จริงๆหลักสติปัฏฐานนั่นแหะหลักที่พระพุทธเจ้าท่านสอนน่ะแต่เราอไม่เข้าใจเองเพราะมีตัวตนมีอัตตาเอาตัวเราไปปฏิบัติแต่ไม่เห็นตัวเราเอาตัวเราไปเดินแต่ไม่เห็นว่าไอที่เดินน่ะมันไม่ใช่ตัวเราคือมันมันเป็นอวิชชาไงเนาะแต่วันเนี้ถ้าโยมได้ฟังนะฟังตั้งแต่ต้นจนจ น, จนถึงตอนเนี้ยหรืออาจจะพูดต่อไปเนี่ยก็จะทําให้เกิด ความรู้สึกหูตาสว่างอะไรไปเยอะเลยนะเพราะว่ามันเกิดก็เกิดว่ามันเกิดแสงสว่างทางใจเพราะมันเห็นแจ้งเนาะเข้าใจแล้วมันจะเบาไปเยอะเลยนะอันเนี้ยเป็นสิ่งที่สะท้อนน่าเห็นว่าเออได้เกิดปัญญาแล้วปัญญาอุทปาธิแสงสว่างอะไรเนี่ยภาษาบาลีที่เขาว่านี่นะในธรรมจักรเออเขเป็นอย่างนั้นไปนะเพราะฉะนั้นน่ยสิ่งสําคัญสําคัญเนี่ย ก็ต้องจับทางให้ได้จับจุดให้ได้ว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันเอาตัวเองไปรู้เอาตัวเองไปหาเอาตัวเองไปคิดไปค้นเอาตัวเองไปปฏิบัติแต่ไม่เห็นตัวเองว่ามีพฤติกรรมอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นนะอาจารย์งก็ขอขอบพระคุณดีพระอาจารย์ด้วยชี้แนะแล้วแจกแจงทําให้ละเอียดนะอ่าพวกเราลองพิจารณาดูเนาะอะที่พระอาจารย์พูดมาก็คือเราทั้งวันมีเราทั้งวันเลยเนี่ยก็ คำว่ามีเราก็คือหลงท่องวันนั่นแหละคือขาดความรู้สึกตัวนยจะมีตัวอุปทานมีความปรุงแต่งได้ก็ต่อตรงที่มีคำว่าเราเสมอคือหลงตลอดนะถ้าเรารู้นะคือลงยึดนะตัวผู้รู้นะว่าเรามีเราไปยึดไปหลงก็จะเข้าไปปรุงแต่งในสิ่งที่เห็นนะ แล้วก็เป็นเรื่องราวกับสิ่งที่เห็นเป็นสมมุติเป็นบัญญัติเป็นเรื่องราวนะโดยไม่รู้สึกตัวอ่าก็จะเดิมทีมันก็ว่างอยู่แล้วนะส่วเห็นเอเห็นเป็นเห็นมันว่างอยู่แล้วเนะแต่ไม่มีตัวตนเข้าไปเห็นมันก็เลยไม่ว่างกับสิ่งที่ถูกเห็นนะก็เลยไม่ว่างจากตัวผู้รู้ก็คือจิตนะสิ่งถูกเห็นก็คือคือการเห็นเห็นอะไรก็แล้วแต่เป็นสิ่งถูกเห็นทั้งหมดนะไม่ว่าเห็นสิ่งที่ชอบหรือไม่ชอบ มันแสดงว่ามีตัวตนเข้าไปเห็นก็เรียกว่าอัดตายกเว้นบุคคลผู้ได้ฝึกดีแล้วกําลังสติก็เป็นสติที่แบบเป็นสติที่ไม่มีตัวตนนะนะเมื่อกี้มีสติแบบมีตัวตนก็จะมีตัวตนเข้าไปเห็นก็เป็นเรื่องราวแต่ถ้าไม่มีตัวตนเข้าไปเห็นก็จะมีอยู่กับผู้รู้แต่ก็ไม่ไยึดผู้รู้นะผู้รู้ของผู้รู้แต่ผู้รู้มันทํางานของมันเองบางสิ่งสาคัญก็อยู่ตรงเนี้นะคีย์เวิร์ดอยู่ตรงเนี้ย เอใจหรือเปล่าความเก่งความกาศมันอยู่เชื่องภาษาขนาดเดียวนะขนาดเดียวที่อยู่ปัจจุบันนะที่บอกว่าปัจจุบันทำให้จิตเราสงบเฉยแต่ถ้า <c oughs> เราเห็นสังเกตว่าผู้รู้อ่าก็คือจิตไปอยู่กับปัจจุบันนกะ็คือสิ่งถูกรูก้แม้กระทั่งปัจจุบันมันก็ดับเมื่อเห็น พวกผู้รู้กระดับสิ่งปัจจุบันก็ดับก็เป็นอะไรมันก็เหลือแต่ความว่างเนีแต่สิ่งนั้นก็ยังดำรงอยู่เพราะว่าขันห้าเรายังไม่ดับกายใจเราไม่แบบยังมีชีวิตยังมีลมหายใจอยู่ผู้รู้ก็คือเราไม่มีอยู่จริงๆรู้ขนาดนี้แล้วก็เดี๋ยวนี้เพียงแค่หนึ่งขณะดเดียวที่กาลังปรากฏ เ, เกิดก็ไม่ใช่เราสิ่งที่ปรากฏต่อหน้าเราที่เราเห็นก็ไม่ใช่เราเห็น เห็นเป็นของเห็นแต่ไม่ว่าเราไปเห็นให้พิจารณาให้เห็นเห็นโดยไม่มีตัวตนเข้าไปเห็นนะผู้ใดที่เห็นอย่างนี้พิจารณาได้อย่างนี้จริงๆถามว่าเราอยู่ตรงไหนตรงไหนมีเราจริงหรือเปล่าดังนั้นทั้งผู้รู้ก็คือจิตและสิ่งถูกรู้ก็เป็นสิ่งที่ไม่มีจริงเป็นเพียงแค่มายาโกน ที่ไปหลงไปปรุงไปแต่งขึ้นมาเองในสิ่งที่เห็นและประยิดในสิ่งที่เห็นแมาครอบงำกับตัวผู้รู้หรือจิตที่มันว่างอยู่แล้วกลับไม่ว่างก็คงจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะหากมีใครจะเสริมมากงที่ได้ฟังแล้วอย่ายกมือได้เนาะพวกเราขอเชิญยกมือได้เลยจะมีประโยชน์มากถ้าพวกเราช่วยกันแชร์ประสบการณ์อนมทนาอาจารย์ออเสริมด้วยครับ ยมโยมสติเนาะโมกี้ให้เป็นสปิเกอร์แหละเชิญเลยนักปรัาร์พระอาจารย์หลวงพ่อนะครับนัรัสิกการท่านพลอยด้วยครับสวัสดีสปิเกอร์รวมถึงออเดียนครับจริงๆผมก็ยังรู้สึกว่าผมเป็นผู้ที่ยังเข่าว่าปัญญาอยู่นะครับในเรื่องธรรมะ ก, ก็มีคำถามนะครับว่าการที่เราฟังนะครับ จริงๆเขามีความเข้าใจแต่อธิบายไม่ได้ว่าเข้าใจแบบไหนแต่รู้ว่าจะต้องไปนําไปปฏิบัติยังไงกับกับชีวิตนะครับซึ่งก็ยังไม่มั่นใจนักว่าว่าสิ่งที่รู้เนี่ยถูกหรือผิดอย่างเช่นาการอยู่กับปัจจุบันผมก็ก็ยังนําไปปฏิบัติอยู่นะครับแต่ก็ยังยังได้ได้แบบไม่ได้ไม่ได้คือยังไม่ไดีพอแต่ก็ยังระลึกถึงเสมอว่าให้กลับมาอยู่ปัจจุบันไม่ว่าจะทําอะไรในขณะในทุกขณะนะครับเช่นหลวงพ่อยกตัวอย่างเรื่องนกเนี่ยเ อ, อคนที่ เอานกไปฆ่าเนี่ยก็รู้สึกว่าเออมันก็ใช่นะครับการที่คิดว่าไม่มีใครเห็นต่อให้เราตัวไม่มีใครเห็นแต่ก็มีผู้รู้ที่เห็นว่าชายคนนี้กําลังจะฆานกนี่นการปฏิบัติผมก็ไม่รู้เรื่องการปฏิบัติหรือเปล่า <c oughs> คือผมฟังห้องของพ่อเนะี่ยจริงๆผมผมมีความรู้สึกดีนะครับมีความรู้สึกดีแล้วก็มีความเข้าใจบางสิ่งบางอย่างผมก็ยังอธิบายว่าไม่ได้ผมเข้าใจอะไรมันก็ดูย้อนแยง้งอะแต่ว่า อย่างอย่างเรื่องของการมีสติอยู่กับตัวเองอยู่กับปัจจุบันโอเคมันาจะยังมีเราอยู่ยังมีคำเป็นเราอยู่นะครับแต่ผมก็ยังนําไปัวเนี้ยไปปฏิบัติใช้อย่างต่อเนื่องวันหนึงมันอาจจะมีหลุดบ้างมีมีเพอ้อเขาเรียกว่อะไรมีสิ่งฟุ้งซ่านเข้ามาทําให้เราหลงไหลไปบ้างนะครับแต่ก็พยายามดึงกลับมาเ อ, อสิ่งที่เห็นที่เกิดขึ้นกับตัวเองในช่วงเนี้ก็คือเราจะเห็นว่าเวลาเราโกรธเราโมโ oh หหรือเราคิดที่เราจะแบบจะทําอะไรเนะี่ย เราจะนึกขึ้นก่อนแล้วมันจะเห็นภาพมันมันไม่ใช่แบบไม่ใช่แบบปฏิหารเลยไม่ใช่นะครับหมายถึงว่าเราจะนึกเห็นภาพว่าถ้าเราทําสิ่งนี้ไปเนี่ยเอ่อมันจะเกิดปัญหาอะไรบ้างเช่นถ้าเราโกรธใครสักคนนะครับแล้วเราจะแสดงออกทางความโกรธไม่ว่าจะเป็นคําพูดนะครับหรือว่าเ อ, อการกระทําเราก็จะรู้ว่าถ้าเราทําไปมันจะเกิดอะไรขึ้นมันทําให้เราแบบถ้าเกิดสิ่งซริงมันจะเกิดขึ้นในเป็นสิ่งไม่ดีอะเราก็จะเผชิญมันได้เราก็ไม่ทํามัน ผมยังไม่รู้ว่ามันคือแนวทางที่ถูกไหมแต่ว่าอย่างน้อยมันก็ทําให้ชีวิตผมนิ่งสงบแล้วก็เข้าใจ ว, าว่ามันดีขึ้นในช่วงนี้นะครับต้องขอบคุณพ่อด้วยนะครับขอบคุณครับก็อตอนนี้ไม่ถูกเพราะว่าไม่อยู่กับปัจจุบันไม่รู้อยู่กับปัจจุบันแต่เอาตัวเราเนี่ยไปรู้ฟื้นในเรื่องอดีตว่าในอดีตเนี่ยตัวเราเป็นอย่างนั้นตัวเราเป็นอย่างนี้ตัวเราก็ไปพูดเรื่องความโกรธว่าความโกรธเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นี่ เราไม่รู้ตัวในปัจจุบันว่าปัจจุบันเนี่ยที่เรียกว่าตัวเราเนี่ยกำลังพูดกำลังถามหรือกำลังนั่งฟังอยู่นี่เนี่ยตรงนี้แหละเป็นจุดพลาดที่นะักปฏิบัติคือคือลืมไปคือชอบไปไปเอาสิ่งที่ทำไม่ได้ในอดีตมามาพูดใหม่แต่ก็ไม่เห็นตัวเองที่กำลังพูดเนาะไม่เห็นตัวเองไม่เห็นไม่เห็นไม่รู้ไม่รู้อะไรประมาณนี้ เพราะนั้นก็ฝากไว้ก็คือว่าให้รู้ตัวอยู่ในปัจจุบันอดีต ท, ที่มันเกิดอะไรขึ้นก็มันไม่มีแล้วนี่มันผ่านไปหมดแล้วเพียงแต่รู้ตัวปัจจุบันก็คือรู้อะไรเช่นอาจารย์ต่างๆหรือแม้ในพระสติปัฏฐานสูตรก็ยังพูดอยู่เมื่อเดินอยู่ก็รู้ตัวว่าเดินเมื่อนั่งอ่าเมื่อพูดก็รู้ตัวว่ากําลังพูดเมื่อกินเมื่อเคี้ยวเมื่อลิ้มเมื่อหายใจเมื่ออะไรนี่ น, นี่ให้รู้อยู่อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นี่คือเป็นจุดที่เหมือนก็ว่าต้อง ต้องฝึกให้ต่อเนื่องในการรู้ปัจจุบันให้เป็นนะไอ้ น, นี้หลวงพ่อพูดกรณีที่เป็นเรื่องของการเจริญสติการฝึกความรู้สึกตัวนะแต่ว่าถ้าเป็นพูดถึงเรื่องโลกโอเคเราก็ต้องมาพูดถึงเรื่องโลกเพราะควรจะแยกกันนิดหนึ่งเนาะว่าคราวใดที่เราทํางานเรื่องโลกเราก็ต้องใช้ทํางานเรื่องโลกเต็มที่แต่ถ้าเรามาทํากรรมฐานมาอะไรเนี่ยเราจะต้องวางเรื่องเรื่องงานเรื่องการ แล้วก็ให้รู้สึกตัวให้อยู่รู้ที่ตัวนะรู้ตัวเห็นตัวเนี่ยมันก็เข้าลักษณะเดียวกันเมื่อกี้ที่บอกว่าสักแต่เห็นนะขณะที่รู้ตัวในปัจจุบันมันก็เห็นตัวในปัจจุบันเห็นตัวว่ายังไงตัวนั่งตัวเดินตัวพูดตัวกําลังจะฆ่านกตัวกําลังจะกินข้าวเห็นไหมตัวเข้าห้องน้ําเนี่ยมันก็เห็นตัวเราหมดตรงเนี้แต่ทีนี้อย่าเอาตัวเราไปไปเพื่อที่จะไปหาไอ้ตัวว่าเห็นนะอย่าไปหาไอ้ตัวเห็นเพราะว่า ถ้าเราเอาตัวเราไปหาตัวเห็นเนี่ยมันหาไม่เจอเพราะว่าตัวเห็นเนี่ยมันไม่มีตัวมันเป็นความว่างเปล่าแต่มันมีมันสักแต่ว่ารู้แต่มันะรู้เราเป็นอย่างดีว่าเราอาไปหามันนะลองทําตาเหลือกตาหันซ้ายหันขวาไปหามันดูดิมันก็จะรู้เรามันจะเห็นเราว่าตัวเราเนี่ยเนี่ยเนี่ยกำลังหามันนะเออหรือว่าตัวเราในกำลังคิดที่จะให้เข้าใจเรื่องมันนมันก็จะรู้เราหมดเลยเออเพราะนั้นปฏิบัติถ้าผิดด้านเนี่ยมันก็เอาตัวเราไปค้นไปคิดไปหาเนาะ แต่ถ้าถูกด้านก็คือมีสติคือกลับมารู้ตัวเราที่กำลังเป็นอยู่ในปัจจุบันไม่รู้ว่างงไหมไ ม, ไม่ไม่งงครับอันนี้ผมจะขออนุญาตถามอย่างเออหลวงพ่ออาจจะน่าจะพูดไปหลายรอบแล้วแต่ว่า อ, อ, อาจจะขอคอมเมต์ตาด้วยกันชออีอธิบายอีกทีนะครับว่าผู้รู้เนี่ยผู้รู้หรือว่าเราถ้าเราเป็นผู้ถูกรู้เนี่ยผู้รู้เนี่ย ผู้รู้นี่เป็นหนึ่งในขันห้าอยู่ในขันห้าไหมครับหรือว่าอยู่ในขันห้าหรือจริงๆก็อยู่ในขันห้านั่นแหละครับผู้รู้ก็มันอยู่ที่ว่าจริงๆนะถ้าหลวงพ่อพูดเป็นเป็นระดับมันก็เป็นผู้รู้ขวิญญาณขันนะคือเป็นผู้รู้เหมือนกันเป็นจิตจิตที่รู้แต่ว่าอันนี้เป็นเขาเรียกว่าเป็นวิญญาณขันที่รับรู้ได้เมื่ออายตนะภายนอกภายในกระทบกันนะวิญญาณขันจึงเกิดการรับรู้ขึ้นมาแล้วก็ดับไปแต่มีอีกรู้หนึ่ง รู้ที่ไม่ปรุงแต่งที่เรียกว่าสักแต่รู้รู้อันนั้นแหละมันไม่ใช่เกิดจากการกระทบของหูตาจมูกเลิ้ยงกายใจแต่เป็นรู้เป็นาธาตรู้เป็นรู้ที่มีอยู่แล้วตามธรรมชาติโดยไม่ได้อาศัยขันห้าเพราะว่ามันไม่เป็นขันห้ามันเป็นาธาต์นะตรงนี้ผมว่เพื่อให้เข้าใจนิดหนึ่งนะว่าขันห้าเนี่ยเกิดจากาธาตมารวมกันใช่ไหมขันห้าขันห้าเนี่ยเกิดจากาธาตมารวมกันมีาธาตไหน ร่างกายก็มีธาตุน้ําธาตุไฟธาตุลมธาตุดินสี่ธาตุนร่างกายนะแล้วในร่างกายมีอากาศด้วยอากาศสัาตุตรงเนี้ยทั้งห้าธาตุเนี่ยอันเนี้ยมันไม่ได้เป็นธาตุรู้แต่มันก็เป็นธาตุแต่พอมาผสมกันก็กลายมาเป็นผมขนเล็บฟันหนังเอ็นกระดูกน้ําเลือดน้ําหนองอะไรเห็นไหมมันก็เป็นอย่างนั้นไปแต่จริงๆอ่ะที่มาของมันคือเกิดจากธาตุผสมเพราะฉะนั้นธาตุเนี่ยมันก็คือเป็นธาตุ แต่พอมันมาผาสมมันก็กลายเป็นเป็นเป็นปรุงแต่งเป็นชื่อตั้งชื่อเรียกขึ้นมาใหม่อุปมานะอุปมาอาสมมติว่ามันมีมะเขือเนาะมีพริกมีอ่ามีกะทิมีกระเทียมมีหอมมีน้ำปลามีเกลือเห็นไหมมันแยกแต่ละอย่างก็อยู่ในขวดอยู่ในภาชนะแต่ละอย่างแต่ละอย่างเนาะอันเนี้ยังไม่เรียกว่าแกงยังไม่เรียกว่าแกงแต่พอเอา เอาพริกบ้างกะทิบ้างเกลือน้ําปลาน้ําตาลมาผสมๆกลายเป็นแกงเขียวหวานขึ้นมานะเพราะฉะนั้นอ่ะแกงเขียวหวานเนี่ยมันเกิดจากธาตุผสมเออทีนี้ไอ้ร่างกายก็เหมือนกันอ่ะร่างกายก็คือเกิดจากธาตุผสมนะแต่ทีนี้เมื่อกี้มาถึงพูดถึงธาตุรู้ธาตุรู้ก็คือเป็นธาตุรู้ล้วนๆเลยยังไม่ผสมกับอะไรมันก็คงเป็นธาตุรู้แต่เมื่อธาตุรู้มาผสมกับดินน้ําไฟลมอากาศาธาตุมันก็กลายเป็นชีวิต ตั้งชื่อใหม่ว่าเป็นขันห้าเป็นคนบ้างเป็นผู้หญิงผู้ชายเป็นอะไรก็แล้วแต่แต่ที่มาที่ไปมันคือเป็นธาตุอ่าทีนี้เรามามองถึงวิญญาณวิญญาณในขันห้าวิญญาณในขันห้ามันก็เกิดจากหูตาเพราะมีหูใช่ไหมเออมาปรผสมกันแล้วก็มีหูมีตามีจมูกมีลิ้นมีกายมีใจอันนี้เป็นก็เรียกว่าเป็นอายตนะภายในพอมันกระทบกับรูปรสกลิ่นเสียงโพธาตุธรรมอารมณ์อ่าที่เกิดขึ้นข้างนอกรวมถึงธรรมอารมณ์ที่อยู่ในตัวเนี่ย ใ, ในใจเนี่ย กระทบกันก็เกิดวิญญาณขันขึ้นมาเขาเรียกว่าวิญญาณขันแต่สิ่งเหล่านี้มันไม่ใช่ธาตุแต่มันเกิดจากการผสมทีนี้ถ้าแยกแยะเป็นเราเข้าใจเป็นเราจะรู้เลยว่าอ๋อไอศักดิแต่เห็นไอศักดิแต่รู้นี่มันคือเรื่องของธาตุมันไม่ใช่เรื่องของวิญญาณแต่วิญญาณน่ยมันก็มีส่วนเหมือนกันแต่ว่ามันไม่ใช่สักดิแต่เห็นสักแต่ว่าสักแต่ว่ารู้เพราะว่ามันปรุงแต่งได้ วิญญาณเนี่ยเขาเรียกว่าจิตทํางานร่วมกับเจตสิกใช่ไหมเออมันก็เมื่อรู้รับรู้อะไรเสร็จแล้วมันก็ทํางานร่วมกับสัญญาสังขารวิญญาณเอ๊ะทำร่วมกับเวทานาสัญญาสังขารมันก็คิดนึกปรุงแต่งได้แต่ธรรมชาติที่เป็นธาตุเนี่ยมันคิดไม่เป็นมันนึกไม่เป็นถ้าธาตุรู้ก็คือได้แต่รู้ถ้าธาตุเห็นก็ได้แต่เห็นเออพออ ย, ยากได้ไหมตามที่หลวงพ่ออธิบายอ๋อเข้าใจครับเข้าใจดีเลยเพราะว่าจริงๆแล้ว ธาตุรู้มันก็คือเป็นธาตุรู้อยู่แล้วนะครับใช่ไหมฮะจริงๆก็อยู่ในขันห้าแต่ถ้าเราไปรวมกับกับการรับรู้ของขันห้าก็จะกลายเป็นเมียนขันแต่ผมเข้าใจเรื่องเรื่องที่หลวงพ่อยกตัวอย่างว่าแกงเนาะแกงเขียวหวานได้เกิดมารวมกันแล้วถ้าเอาเครื่องปรุงต่างๆแยกออกไปก็ยังไม่ใช่แกงเขียวหวานนะพริกแกงก็ยังไม่ใช่แกงเขียวหวานแต่สุดท้ายพอทุกอย่างมารวมกันก็จะกลายเป็นแกงเขียวหวานได้ก็ก็คล้ายๆกับขันห้าที่มารวมกันเพราะไอขันห้าต่างๆที่มันแยกออกจากกัน มันก็เป็นสิ่งที่ไม่มีใช่ไหมฮะไม่มีมาก่อนแล้วก็มารวมกันเป็นสิ่งที่เป็นเดาครับครับขอบคุณมากครับหลวพ่อครับอ่าก็ขออนุโมทนาเนาะชัดเจนคําว่าธาตุธาตุก็คือเป็นลักษณะของเฉพาะอย่างอย่างไปอย่างเช่นอ่าเดินเดินนะเราหายใจเข้าเราหายใจออกมันไม่มีเราหายใจเข้ามันมีลมหายใจออกลมก็เป็นของลมนะลมไม่เป็นของใคร ขณะที่หายใจเข้าบอกไม่ให้เข้ามันก็เขา้าของมันเองเห็นไหมลมหายใจเข้าบอกไม่ให้ออกมันก็ออกของมันเองธาตุลมก็พยายามให้เราออกจากสิ่งที่สมมตินะเขาพยายามสอนแต่เราเป็นผู้ที่ไม่สังเกตนะลมมันไม่ฟังเราเลยควรหรือว่าลมนะั้เป็นเราจริงๆนะลมหายใจเข้าหายใจออก ม, มันมีแต่สภาวะเบื้องต้นคือหายใจเข้าก็ไม่เที่ยงหายใจออกก็ไม่เที่ยง หายใจเข้าก็เสือสอเส่อมสลายหายใจออกก็เสื่อมสลายสุดท้ายท้ายสุดเข้าก็บังคับไม่ได้ออกก็บังคับไม่ได้ควรหรือว่าจะลมนั่นเป็นของเราลมหายใจมันก็พูดไม่ได้นะว่าเป็นของใครแต่เรานี่ไปกล่าวตัวว่าธรรมชาตินั้นเป็นของเราเขาพยายามแสดงศักยภาพของธรรมชาติเหมือนอุปมาหินก้อนหนึ่งก็เปรียบเสมือนธาตุหินในีเป็นลักษณะแข็งอ่าก็หรือว่าถ้าเกิดว่า ก้อนหินก้อนนั้นมันพูดได้เมื่อไหร่เซนเขาบอกนะเมื่อใดเธอเห็นก้อนหินที่มันพูดได้เมื่อไหร่ก้อนหินก้อนนั้นก็ไม่ใช่ธรรมชาติและประาสจากธรรมชาติแล้วก็อหนินยังปรุงแต่งเพราะยังหินมันเป็นปรุงแต่งไม่ได้นี่นะอาจจะเป็นคทาตานั่นแหละแต่เนี้นให้กลับมาถึงธาตุรู้นะรู้มันก็เป็นเพียงรู้เป็นของรู้แต่รู้ไม่เป็นของใครนะอะไรอะไรนะมันก็เกิดที่ใจเนะี่ย ใจมันรู้ได้ทั้งหมดไม่ว่าสภาวะในการเห็นสภาวะในการได้ยินแต่ก็ยากยิ่งนักที่จะกลับมารู้สึกที่ใจว่าใจนั้นมันไม่หลงไปยึดติดว่าใจนั้นเป็นของเราแต่ตามความเป็นจริงแล้วนั้ น, นใจมันก็เป็นของใจนะเป็นาธาตุของใจมันรู้ก็สักว่ารู้นะแต่ไม่ใช่เอาใจนั้นมาเป็นของเจ้าของมันก็ทาให้มีคำเป็นคู่ๆปรุงแต่งอยู่ อันนี้เป็นสิ่งที่เราได้คุยได้พูดกันมามีประโยชน์หลังจากได้ฟังเนี่ยมีใครจะมีความคิดเห็นมีความแสดงออกก็ขอเชิญทุกท่านนะครับหรือผู้ใดที่จะเวลายังเหลืออยู่สักห้านาทีนะขอเชิญ น, นะรับสาธุูท่านพยได้ครับวันนี้ที่คุยกันนะหลวงพ่อก็มองดูแล้วว่าอย่างน้อยก็แก้แก้ความหลงผิดนะ แก้ไขในสิ่งที่เคยปฏิบัติมาโดยเฉพาะเห็นสักแต่ว่าเห็นคนที่เข้ามาตอนตามตอนหลังอาจจะฟังช่วงแรกไม่ได้ไม่ไม่ทันเนาะก็ให้ไปบริเพยฟังใหม่เอานะแล้วก็เมื่อฟังแล้วคงเข้าใจผมก็มั่นใจว่าทุกคนพอใจแยกแยะอะไรได้ว่าเมื่อก่อนเคยเข้าใจผิดว่ายังไรเมื่อได้ยินได้ฟังมีการยกตัวอย่างประกอบแล้วก็สามารถที่จะเกิดปัญญารู้เห็นว่าเออ เมื่อก่อนปฏิบัติผิดตอนนี้ปฏิบัติถูกคือต้องเป็นอย่างนี้นะก็สําหรับผู้เข้ามาหลังหลวงพ่อพูดอีกนิดแล้วกันนะวันนี้เพราะว่าตั้งชื่อเรื่องว่าสักว่าเห็นสักว่าเห็นเนี่ยเมื่อพวกเราได้อ่านพระสูตรหรือได้ยินได้ฟังอะไรมาต่างๆสักแต่ว่าเห็นสักแต่ว่ารู้สักแต่ว่าได้ยินเนี่ยปฏิบัติผิดหมดเลยเพราะเอาตัวตนเอาอัตตาเอาตัวเราเป็นผู้กระทําให้เป็นสักแต่ว่าเห็นสักแต่ว่ารู้สักแต่ว่าได้ยิน ไปบังคับแจเลยคือไปดับสัญญาไปดับสังขารไปดับอะไรต่างๆเพื่อไม่ให้ปรุงแต่งเพราะไปตีความผิดไปเข้าใจผิดแต่จริงๆแล้วสักแต่ว่ารู้สักแต่ว่าเห็นสักแต่ว่าทราบเนี่ยมันเป็นธาตุตามธรรมชาติที่มีอยู่เขาเป็นของเขาอยู่แล้วเป็นธาตุเห็นเนาพูดเป็นภาษาเพื่อให้เข้าใจนะมันมีธาตุธาตุเห็นคือเห็นอย่างเดียว ไม่ใช่คิดไม่ใช่นึกเพราะธาตุคิดไอ้ตัวนึกตัวคิดเนี่ยมันก็เป็นอีกธาตุหนึ่งมันเป็นสภาวะธรรมอีกอย่างหนึ่งเป็นคนละอย่างกันนะแต่เมื่อเห็นมันก็ต้องเป็นเห็นมันจะเป็นคิดไม่ได้ไงคิดมันก็เป็นคิดแต่มันจะเป็นเห็นก็ไม่ได้เหมือนกับปลาเนี่ยจะให้เป็นน้ำก็ไม่ได้น้ำเป็นปลาก็ไม่ได้ท้องฟ้าให้เป็นนกนกให้เป็นท้องฟ้าก็ไม่ได้มันจะต้องเป็นเฉพาะตัวอยู่อย่างนั้นล่าไป แต่ทีเนี้ยพอภาคปฏิบัติเนี้ยพรเข้าใจผิดจึงปฏิบัติผิดก็เลยผลเกิดขึ้นมากมายยิ่งปฏิบัติก็ยิ่งเป็นทุกข์เพราะว่าไม่เข้าใจนะก็ฝากไว้นะชุดเนี้ยนับว่าคงมีประโยชน์แล้วก็ไปฟังซ้ําส่วนคนที่อยู่ในกลุ่มลายหลวงพ่อหลวงพ่อก็อาจจะไปไปตัดเป็นตอนสามสี่ตอนขึ้นมาให้มันสั้นแล้วก็อาจจะตัดช่วงที่เว้นวักคือ หยุดพูดนานๆเนี่ยเพื่อให้หดสั้นนะจะได้ไม่ไม่กินเวลาของของของไฟเสียงอะไรต่างๆส่วนคนที่ยังไม่ได้เข้ากลุ่มไลน์หลวงพอ่อมันมีกลุ่มชื่ อ, อาทางสู่ความพ้นทุกข์ในปัจจุบันนะท่านใดยังไม่เมก็เดี๋ยวทําไงอะ่ะให้ทักมาที่หลวงพ่อโดยตรงก็ได้หรือโยมหนุย่ยหนยก็ได้วันนี้โยมหนุย่ยหนยไม่ได้มาเนาะเดี๋ยวเขาจะส่งคิวอาร์ไปให้แล้วก็กลุ่มไลน์เนี้ย มันมีเงื่อนไขว่าให้เหมือนกับว่าถ้าหลวงพ่อมีมีเขาเรียกว่าเป็นเป็นเป็นเสียงธรรมะเป็นไฟล์เสียงนะแล้วก็อีกอางก็คืออาจจะเป็นเป็นเป็นเ้าเรียกอะไรลราเป็นเป็นตัวหนังสือเป็นคําอธิบายนะเป็นอะไรก็แล้วแต่คือหลวงพ่อจะแชร์เป็นผู้เดียวคนอื่นเพียงแต่รับรับฟังรับอ่านรับรู้รับทราบไปส่วนใครมีปัญหาอะไรก็ให้มาคุยเป็นส่วนตัว เหตุที่หลวงพ่อทําอย่างนี้เพราะว่าในกลุ่มรายถ้ามีคนเยอะๆเนี่ยแต่ละคนแค่หนึ่งคนสองคนหมายถึงว่าแต่ละคนแค่ส่งคําว่าสาธุคนเดียวเนี่ยสมมติสองร้อยคนนะไอธรรมะหลวงพ่อเนี่ยที่ที่แชร์ไปไว้ไม่รู้มันหายไปไหนแล้วไงก็เลยป้องกันตรงนั้นเพื่อไม่ให้ธรรมะเนี่ยมันเลื่อนไปจนกระทั่งว่าหาไม่เจอก็เลยขอร้องกันว่าอย่าโพสอย่าส่งข้อความใดๆเนาะให้เป็นเป็นที่เข้าใจร่วมกัน นะตกลงก็ฝากไว้นะใครจะติดตามเข้ากลุ่มทางสู่ความบ้นทุกในปัจจุบันก็ติดต่อทางโยมหน่วยนยหรือติดต่อหลวงพอ่อโดยตรงก็ได้เดี๋ยวจะส่งส่งลิงก์หรือว่ า, า QR code ไปให้แล้วก็โยมก็สกแกนเข้าไปนะวันนี้ก็สําหรับหลวงพ่อก็คงขอ ย, ยุติแค่นี้นะก็ขออนุโมทนาขบยาโยมทุกคนนะส่วนอาจารย์พลจะมีอะไรส่งท้ายก่อนนี่หมดครับ องค์ขอหานุโมทนาที่พระอาจารย์อ๋อไดเมตตาแล้วก็ให้องค์ความรู้กับผู้ที่อ่าผู้ที่มาใหม่และผู้ที่อได้ศึกษามานานแล้วนะงั้นการปฏิบัติดีที่สุดก็คืออจงใช้สติที่แบบไม่มีตัวตนเข้าไปปฏิบัตินะอะความจําเป็นแค่องค์ประกอบแต่การที่จะสัมผัสได้เห็นความจริงได้ต้องต้องน้อมนาเข้ามาใส่ตัวนะนะครับ เรารู้กับกลับมารู้เราว่าเรามีจริงหรือเปล่าในขณะนั้นเมื่อใดสอดส่องดูดูคําว่าไม่มีเราไม่มีเราจริงจรเนี่ยโดยที่ไม่อาศัยความจําไม่อาศัยการฟังของผูาบาอาจารย์เอาตนนั่นแหละนะเป็นอาจารย์รู้เฉพาะตนนะ่ะตนเป็นที่เพื่อแห่งตนนะเธออย่าเอาสิ่งใดสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งเพราะว่าความพ้นทุกข์จะดับทุกข์ความทุกข์เกิดที่ตนนั่นแหละแล้วก็เอาตนนะ่ะไปรู้ว่าตนมีจริงหรือเปล่า ในปัจจุบันเนี่ยเห็นจริงหรือเปล่าก็ขอเพราเราอ่าจงมีความเพียร น, นะนะต่ก่อนมันเพียรเหมือนกันอนะ่ะเพียรมีตัวตวนนี้เราต้องเพียรที่ไม่มีตัวตวนต้องเข้าใจแล้วก็เริ่มเริ่มเข้าถึงก็ขออนุโมทนาในครั้งนี้แก็ขอกราบพระอาจารย์และลำลารเพียงเท่านี้ลาเจริญในธรรมเนี่ะะย